มนุษย์บางคนไปดูมาตับแรงอะไรที่สามารถจะไปได้และแกก็เล่าอ ะ, ะอะไรต่ออะไรเงนะเรื่องเล่าก็เยอะแหละว่าเป็นยังไงอย่างไงและก็เหมือรับแรงก็รากษาทีแล้วก็ชีวิตอยู่อย่างละธรรมไอพวกนี้นะเป็นเป็นมนุษย์ตา่างวิถีมนุษย์เราเนี่ยมีทั้งมนุษย์จํานื้อโอวัติกาเมืไม่ก็มีนะครับเอ่อชาลาผู้ช้าคำเนิกอย่างเราเนี่ก็มีก็พวกนี้ก็จะเป็นชีวิตบรโบราณที่อยู่กับ ไปอยู่ใกล้ๆกับเราแล้วก็ เ, วเขาบอกว่ามันก็เหมือนที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าทุกคนจะต้องมีสีลักษณสีอยู่เป็นปกติสีห้าคนไม่มีสีหน้าก็าเข้ามืงรับแรงไมไ้และบางทีพวนี้ครัที่มาใส่บ า, ร า, บาตรพระผู้ทรงเราไปเจอพระผู้ทดงใช่ไหมก็จะรับบาตจากมนุษย์เมืองรับแรงนุ่งโจงกรเป็นนุ่งผ้าขาวหมา่มผ้ามาแบบอบุเบกษ์ แล้วก็อย่างที่อื่ไม่เคยได้ยินแล้วว่าไม่เคยละเอียดนะนะไม่ชัดเนนจนอะทีนี้เวลาที่เรา<ม>เราแผ่เนี่ยถ้าเรารู้เนี่ยเราไปถึงในที่ไหนเราจะแผ่อย่างซอกแซกไปในรายละเอียดได้เลยไล่ได้ใน ใ, นใจว่าเทวดาก็ไล่บูมไะ้เป็ใ น, ในรายละเอียดได้นั้นข้อมูลคนละเอียดเมตตาก็ไปละเอียดและถ้าคนมีความสา ม, มารถเห็นได้เมตตาก็ชัดเจนขึ้น สมมติเราไปอยู่ที่ไหนนะไปเห็นเทวด า, ดาได้แผลเมตตาไปสัมผัสเทวดาได้ไปเห็นมนุษย์ในโลกทำแลได้เราก็สามารถที่จะแผลไปแล้วก็รู้เรื่อง ก, กันก็คือมันว่าตัวยามเป็นตัวให้รายละเอียดทําให้เมตตานั้นชัดเจนขึ้นการเรียนรู้ความเข้าใจเรื่ละเอียดจริงมีผลต่อเมตตาทดี๋ยวเราก็จะเห็นธรรมะที่พระตรีบตรพูดต่อไป ถึงการแผ่โดยคิดการแผ่ไปโดยคิดในนี้ท่านว่าว่าเป็นคิดสิคือแผ่ไปยังสัตว์ที่อยู่ในคิศบูรพาทิศบุรพาจะนี่แหละตะวันออกนะแล้วก็คิดปัจจิมปัจจิม ได้แลแล้วก็ทิศอาสนีตะวันออกเฉียนใต้ทิศพายักษ์ตะวันออกเฉียงเหนือทิศยีสารที่ไรไหนคนในไทยว่าเป็นคนยีสารในยกมือที่อะไรยีสานตัวหนออว่อยู่เหนือยีสานตัวหน่ออยยีเหนือ ก็คิดหรอระดีอะตะวันจจตกเหงื่อตายเอาใครไม่รู้จดไว้นะหอระดีอะวันตกเหงใ่อตาคิดเบื้องบนอะครไม่รู้ไอ้เบื้องล่างมีใครไม่รู้บ้ามารู้หมดนะเหตุที่มัดอะไรนะเหตุที่มัดทิศแล้วก็ปริมาณทิศเบื้องบนบ น, นี่ครแปลว่าแล้วแผไปยังคิดัสงบ ที่ีกว่าแลเที่ตั้งหัวเนี่ยถามว่าแผลให้คิดหรือแผลให้สัตว์แผลให้สัตว์แต่คิดเมื่อถามว่าเป็นการแผลเจาะจงไม่เจาะจงทําให้เป็นเจาะจงก็ได้ไม่เจาะจงก็ได้ทําให้เป็นไม่เจาะจงก็คือว่าสัตว์ทั้งหมดในจิตนี้สัตว์ทั้งหมดในจิโนู้นสัตว์ทั้งหมดในจิตนั้นถ้าทําให้เป็นเจาะจงก็คือผู้หญิงในจิตนั้นผู้ชายในจิตนั้นเทวดาในจิตนั้นนีกแล้วเ่อก็เป็นเจาะจง ก็เป <c oughs> ็นแนวว่าตรงนี้โดยที่เราผ่านไปได้นะครับเราเคยฝึกมาแล้วแต่นั้นมาดูคนเครื่องประกอบการแผ่เนี่ยนะตัวนี้แหละครับที่จะเป็นตัวขยายเมตาให้ละเอียดแทรกเจนและมีอนุภาพมากขึ้นท่านได้แสดงว่าอินซีห้ากับพัลละห้าอินซีห้ากับพละห้าก็เป็นก็ทำที่ ออกมาเป็นตัวแล้วเหมือนกันแต่ถามว่าต่างกันตรงไห น, นพละเป็นทื่ของกําลังอินทรีย์เป็นชื่อของอวัยวะนะฮะเรามีอวัยวะก็ต้องมีกําลังของอวัยวะด้วยถ้าเราทำโดยการกําหนดสูตรแปลว่าเราจับอินทรีย์ได้และทําอินทรีย์นั้นให้มีกําลังแปลว่าเป็นพละได้เอาเรามาดูแต่ละตัวว่าการที่เรามีสัตว์แห่เมตตาอย่างคนที่มีศรัทธา มีสัตว์ินทีย์กับแพยังไม่มีอินทรีย์เนี่ยผลมันต่างกันเลยสมมติว่าเราบอกอะไรต่อไปนี้ขอเชิญแต่เมตต า, า, ตาเราก็ทํากระตายแต่อะไรนั้นแ่ะไม่ได้เกี่ยวเมตตาจะเกิด อ, อะไรขึ้นมีอะไรขึ้นไม่เคยมีผลปรกากฏให้ได้เชื่อรือได้ไม่เคยเรียนรู้มันมีนิสสงในไงแพรยังไม่มีสัญหาติเช่นมีเมตตามีกําลังน้อยหรือาจจะไม่เกิดเลยก็ได้ ทาน้อในตานั้นมีแค่เสื้อตัวเมตามตนี้ถ้าแผอไปยังบุคคลที่เราแผ่และเรามีความศรัทธานในบุคคลนั้นเป็นละทานในบุคคลนะเมตตาก็เกิดแรงถูกไหมเมตตาเกิดแรงแต่ว่าคนที่เราจะแผลเมตตาหน้าต า, าหมดนะมโมโหคนนี้ทํำเราได้ทำเราดีโกงเราได้โกงเราดีหน้าต า, าแล้วเุดมันก็ไม่ไมีกันลม่เราก็อาจจะต้องหาเงินศรัทธาของเขา ให้ได้แต่ถ้าไม่มีก็ต้องเชื่อเมตตาเป็นหลักไว้เพราะฉะนั้นเมตตาที่เราเชื่อหลักการเป็นหลักไว้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ใช้ได้เสมอกับคนที่ทั้งน่าศรัทธาและไม่น่าศรัทธาอิรยะรยหมายถึงความเพียรในการแผ่เมตตาการแผ่เมตตาเนี่ยเป็นของทำง่ายหรือทำยากเราก็ําอีกตสอเป็น การมีบุคคลว่าบางคนก็ทําได้บางคนก็ทํายากบางครั้งก็ทําได้บางครั้งก็ทํา ย, า ก, า, ย, า, กยากแต่แว่าถ้าเราไม่ค่อยจะมีเมตตาเนี่ยเราต้องใช้ความเพียรพอสมควรถูกไหมถ้าพูดว่าเราแผลจ่อจงบางคนต้องใช้ความเพียรสูงมากจึงจะแผลเมตตาออกอย่างที่บางรายเนี่ยคนที่เคยมาฆ่าพ่อฆ่าแม่เอาไันแล้วเขาแผลยังไงยังไงก็เกิดออกเล เมื่อเขาก็อยู่ปฏิบัติหนเดือนผ่านไปก็ถึงแผ่ได้อย่างคณะติกใแผ่ได้อย่างง่ายง่ายคือมก็มาว่ากว่าที่เขาจะแผ่เมตตาให้กับคนคนนี้ได้เนี่ยเขาใช้เวลาถึงหนึ่งเดือนจึงแผ่ทนี่มันก็เป็นกรณียากที่ต้องใช้ความเพียรสูงก็คือบางคนล้วก็ใช้ความเพียรสูงบางคนไม่ใช้ความเพียร น, น้อย ถ้าพูนคนทั่วไปเนี่ยที่เกียดถึงมนะ้จะแผ่เมตตาี็เกลียดมาเอาอย่างเราอยู่ที่บ้านเนี่ยนั่งสมาธิแต่ใจที่เกียดล่อยปล่าละเลยก็ขาดวิทยาเราต้องลงทุนต้องมีตัวนี้พองปควยทําให้เราเนี่ยแผ่เมตตาได้โดยที่เหรืยญไม่ต้องออกแรงทำมันเป็นอานมรพ์ทำเมตตาให้แข็งแรงมีพลังเองแล้วก็ด้วยสติ ด้วยสติคือคนแผลไม่ตาไม่ไม่มีสติแผลเนี่ยมันก็เห็นชัด่ะม่าแผลเม่ตาอนองถึงผู้ชายท่างหลายใจไม่เคยจับผู้ชายจับผู้หญิงเนี่ยแต่เขาจะแบบอย่างนี้ไม่มีสติแต่ถ้าแผลที่เราแผไปยังบุคคลหนึ่งมีสตินั้นนึกถึงหน้าทัดลึกถึงกระดครัอย่างนี้ไมีกว่มีสติครับความจับลึกความจับเจาะด้วยสติมันจะชัดเจน สมาธิความนิ่งแต่ตัวนี้มันเหมือนเป็นตัวที่เหมือนเป็นแสงที่ทำให้เกิดภาพสมาธินะไม่บังเอิญไม่ได้เขีนเนยนใต้ไว้นะสมาธิสีตรงนี้ก็อธิบายว่าคนที่มีสมาธิมากเท่าไหร่เมตตาแรงเท่านั้นเราพิสูจน์ได้จากตัวเราเองว่าเมื่อเวลาที่เราแผ่เมตตาในขณะจิตไม่เป็นสมาธิก่อนเมตตาเกิดน้อยนะ เพรนั้นถ้าจะหวังผลในทางพลังเมตตานะครับต้องทําใหำ <S <S เป็นสมาธิก่อนแล้วก็แผ่ที่หลังหรือไม่งั้ค่อยๆแผ่ไปตามระดับนะครับทําให้เป็นสมาธิตั้งแต่ต้นไปจนถึงสมาธิาละเอียดเรียกว่าทําสมาธิโดยเมตตาอย่างที่ผมเคยว่ามาแล้วแล้วก็ค่อยๆ ย, ยกระดับสมาธิให้ดีขึ้นดีขึ้นขึ้ น, นเมตตาก็ดีขึ้นดีขึน้นตามระดับแต่ถ้าท่านมีประสบการณ์เนท่านก็จะนึกได้อะ แต่เรานั่งสมาธิเสร็จและแผ่เมตตาเลยไม่ออนั้นถ้าเรานั่งแผ่นชั่วโมงเนี่ยสมาธิดีเมตตาดีแต่บางคนมานั่งชั่วโมงก็ได้สมาธิดีตอนหลังสมาธิอ่อนหรเมตตาหาย อ, อ ก, ก็ก็ต้องว่าไปตามเกณฑตัวเองครับว่าเราเนี่ยมีลักษณะสมาธิที่ต้องใช้เวลาอย่างไรดีเราก็ให้มันโจบแค่ตรงนั้นหยุดแค่ตรงนั้นเลิกเมตตาแค่ตรงนั้นอันนี้ก็เอาไปปรับ ตามพื้นฐานของแต่ละคนสําหรับปัญญาปัญญาในความชัดเจความชัดเจนในตรวนี้อธิบายได้เยอะอย่างที่ผมว่าเมื่อกี้เมื่อเราเรามีความสามารถที่จะเห็นโน่นเห็นนี่ ไ, ได้มีความสามารถที่จะอย่างรู้จิตใจคนได้มีความสามารถที่จะรู้ถึงไอ้กรณีของปัญหาได้ว่าคนนี้เกิดปัญหาเพราะอะไรเราเกิดปัญหาเพราะอะไรเนี่ยนะมันทําให้เกิดการปลงการปล่อย พออันนี้เราทํากรรมไว้เรายังโมอย่างนี้ไว้ก็เกิดการปลงการปล่อยอย่างที่เรื่องวิธีที่จะทำํำเมตตาให้มันดียังไงมันเป็นเป็นปัญญาจิตแล้นะอย่างที่ผมพูดเมา่วานนี้ว่าคนมีปัญหาครอบครัวเนี่ถ้าเป็นผัวเมียเนี่ยต้องอยาก่อนนะขอให้เรายาก่อนอยานี่ก็คือหยาด้วยใจทําให้รู้สึกว่าเราเป็นคนอื่นไม่ใช่ผัวเขาเมียเขานะปลดเขาออกจากตาแหน่งผัวตำแหน่ ง, นงเียเรื่อยยา หรือบางทีอาจจะไปหยาดจริงๆเพื่อจะได้มาตั้งหลักเพราะถ้าม่หยาจริงอยู่กันบ้านเราก็โยกไปโยกมาหยาไม่รุ่งรื้อหยีใจไม่ยอมหยาแล้วหยาจริงๆก็คุณก็ไปอยู่บ้านพ่อคนแม่คุณผมก็อยู่บ้านพ่อผมแม่ผมคือได้ไหมหยาเพื่อที่จะแต่งใหม่ฮะหยาเพื่อแก้ปัญหาไม่ใช่หยาหนี้ปัญหาแบบไอ้ไอ้พี่เอาพูดแล้วพลางจะยกไม่ถามว่อ้มีคนเขา แหมอดูให้แออกเคล็ดองยากแก้เค็ดเท่าย า, แ, ยาแล้วมันขามดูเอ <c oughs> อยาแล้วเกิดคลกย่อยก็ไอ้อยังนี้ไม่ใช่ยาเพื่อแก้ไม่ไม่เอาธรรมะมาแก้นะเอาไอ้ดวงเอาอะไรเยอะยาตักแล้วว่าเป็นเคล็แล้วไม่ทําอะไรก็เลยว่าเพราว่ามันไม่เป็นเคล็ดทให้เกิดการเข้ามาในกิจวัตรกันใหม่ได้นี่แค่ยาที่เรารู้เราป่อยเอามาทันที ถ้าเรื่องเขารียกว่ายาคนที่มีปัญหาโลกเรื่องลูกนั่นมาวานไปพูดถึงเรื่องนี้ก็เขาก็มีปัญหาเรื่องโลกกูกคนนี้ ก, ก็รุนแรง น, นะมีลูกคนเดียวโหเจ็บปวดมากบอกคนนี้ต้องไอจะแค่คว่าตัดหาปล่อยวัดหนึ่งก็กได้นะคือตัดใจเลยครับตัดแม่ตัดลูกกันเลยทีนี้ถ้าไปตัดแม่ตัดลูกอย่างบางท่านเนี่ยที่มีที่เสียงนะตัดแม่ลูกขาดไปเลยครับอย่างนี้ไม่ได้ตัดก็แก่ แต่ถ้าตัดเพื่อแก้ก็คือว่าตัดให้ขาดคือเราจะได้มีอิสระใจก็ได้เป็นกลางวางเฉยเหมือนกับเราอะไรที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยถ้าเรามีเราเป็นเจ้าของเรื่องแก้ยากแต่นะตรงลูกเรามีเราแก้ยากอะไรก็แล้วที่มันเราๆแก้ยากเราต้องถอยทําตัวเองให้เป็นคนอื่นเป็นคนกลางแล้วก็แก้ที่ราทําใจให้เป็นศู น, นย์ ่องอะไื่องอะไรกระนี้จะไมเหมือนกันเนี่ยน่ราก่งนึงก็มีอันนี้เลยว่าต้องยกนี่แล้วก่อนจะอยากดห้พูดนเี่พราะไม่ใช้เราพูดในใจยกนี่นี้ก่อนเเออโกงได้กงไปวันหนึ่งมันต้องมาใช่ใ่กางคนเขาพูดเขาพูดว่างั้นแต่เขาสใจนะโกงได้โกงไปวันหนึ่งต้องมาใช้มากเป็นหลายเท่าผมก็เชื่ออย่างนั้นกงได้กงเออให้เขาไป แต่เราไม่ได้พูดกันทางท่าว่าไอ้กดแห่งกรรมนี่ยในไหนก็ต้องมาใช้เราไหลครับด่าได้ด่าไปเอาเปรียบได้เอาเปรียบไปที่ถ้าเราป้องกันแล้วไม่ได้หรือก็บังเอิญเราไปปิดกั้นกัินก็ตามเราเราคิดจริงยอมสลัดซะก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยๆตั้งหลังแทตรงนี้จะดีนะผลน้าเด็ดจะมากนี่นี่เปองเคล็ดสำคัญเลยนะที่เรียกว่าท no ํำใจเป็นกลางปล่อยปล่อยซะก่อนแล้วจึงเข้าไปแก้ไขทีหลัง นีื่องในในี้คนจะปล่อยได้มันก็ต้องรู้เหตุผลใช่ไหมเอาสมมติว่าอย่างนี้ว่าเราเกิดไปรู้ว่าอย่างกรนี้ที่เล่านี่มันะนอ้ที่จะไปคุยนเนี่ยนะไผมก็เลยเล่าให้ฟังะอ่าก็ผมฟังแล้วผมก็ต้องขอบคุณท่านผู้แก้ปัญหาว่าไอ้ที่เป็นข่าวว่าเด็กกบ ข, ข, ขวบโดนขมคือเป็นแค่ทั้ ง, งเป็นเงีง เสร็จแล้วก็พ่อก็เสียหัวตั้งแม่ตั้งลูกมีลูกสองคนเนี่ยนะไม่ยอมดูแลอาจารย์สายและเงินที่คนเขาบริจาคมาเพื่อให้เด็กประมาณเจ็ดหมื่นเนี่ยพ่อก็หูเบาแม่ก็อดลูกก็อดนี่ท่านก็ล้วแม่มาเป็นแม่บ้านตรงก็ช่วยเหลือลูกเตาไมาเ่เคยดูแลอยากเทสโมนี้ไปให้ที่บ้านเขาฟังนะเดี๋ยวเราจะกินอย่างนี้นะทีนีไน้ไอ้ตรงเนีน้ยเนว่า ถ้าของคุยเขาเนี่ยผมก็จะบอกว่ากรณีอย่างนี้ยมันเวนกรรมของพ่อเนี่ยจาไม่อย่างนะพ่อไปทําอะไรไว้ในทางเอศเนี่ยเสร็จแล้งจะมาตกถึงลูกสาวถ้ามีลูกสาวนะไอ้ตกนี่มันไม่ใช่คนหนึ่งทําและคนหนึ่งได้หรอกแต่มันหมายว่าทําให้สัตว์ที่มีกรรมอย่างนั้นไม่ต้องมาเกิขดขณะเป็นเอศแล้วไปให้ลุงลงยาไปก่อด เ, เอาไปจบเลยหลานตัวเองคือมันเป็นเวรกรรมอย่างนี้และจากนี้เราคุ้มเห็นมาหลายหลาย มันไม่ใช่แค่ระดับคนระดับอย่างเงี้ยครับที่เป็นระดับไม่ไม่มีความรู้อะไรถึงระดับเรียกว่ามีชื่อเสียงไปจักกันทั่วประเทศแล้วก็พึ่งเสียหายในทางเพศไปที่ไหนมีเมียที่นั่นแล้วก็จริงๆงว่างๆลูกเขามีฝ่ายไม่เว้นเนี่ยนะพอตัวมามีลูกเขาเนี่ทั้งลกูกสาวทั้งลกูงลกชายเสียหายเรื่องนี้ก็ต่างบาทเสียหายตามลักษณะ ไอ้ผู้ชาย ม, มีเมียก็นอกใจอะไรอย่างนี้นะไอ้ลูกสาวก็โดนงคมขือไปเป็นเขาไปมีทั้งที่มีการศึกษานี้นี่เป็นเป็นเรื่องที่ผมได้ได้เห็นกับหูกับตา ม, มาอย่างคุ้นเคยหลายหลายมาอย่างและที่ฟังเล่าก็มีบงังเพราะฉะนั้นผู้ชาย เ, เวลาไปทําอย่างเนี้ยอย่าได้มีลกูกเป็นอังขาร เอาไว้ตัวเองไปเป็นลูกก็แด้โดนทำทีหลังอีกมีลูกแล้ว็้องชอบท้ำใจแน่นอนและเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่เฉพาะในบ้านเราบ้านอื่นเมืองอื่นก็มีเป็นตัวอย่างมาแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้นะเป็นกรรมของพ่อและก็จริงจริงมารับว่ารายนี้นะพ่อสำสอนทางนี้อย่างดุและพอมามีลูกก็เลยต้องมารับเคราะอย่างนี้ลูกเองก็มีกรรมเป็นของของตัวนะฮะ มาซูงคลองแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าเราจะวิสูจน์จริงๆเนี่ยนะเช่นว่าถ้าเรามีงานอย่างเห็นก็ดีหรือบางทีเนี่ยเอามามาวิสูจน์ให้เข้าตัวเขาเองเชื่อวิสูจน์บ้างเราใช้วิธีการวิสูจน์ด้วยวิธีการจะเป็นรากฏจิตด้วยกระไรทําไปแล้วไปเจอจริงๆครับไปเจออย่างนี้จริงๆว่าไอ้ตัวลูกเองฆ่าิีตังก่อนเข้าไปด่ามาอะไรแบบอย่างบางลายที่ผมได้เห็นมา ทั้งอดีตทั้งปัจจุบันเนี่ยออเห็นเลยเทัดเปนเลยเพื่อเป็นอย่างนี้จริงๆะฉะนั้นพ่อเนี่ยหรือแม่เนี่ยเป็นผู้ที่จะให้ความปลอดภัยแก่ลูกตั้งแต่ต้นด้วยพฤติกรรมตัวเองหรือเล่นดงเล่นดืออะไรอย่างนั้นแล้วก็บางรายก็แก่ตกอย่างรายนึงลูกชายคนเดียวที่แก้ตกไปแล้วแต่อีกรายที่ผมว่าเมาาื่อวานนี้ยังกาลังจะแก่อยู่ไม่ตกนะ รุนแรงขนาดลูกนีออกจากบ้านไป ม, ม, มีเรียนไม่จบไปได้คนชั้นต่ํามันก็หลอกเอาเงินนอกรองไปที่พ่อแม่ตรงให้ไปเรียนะมันไปให้ครอบครัวผู้หญิงปล อ, อกลอกไปหมดอ่ะจะทั้งไปผู้หญิงสร้างกันแล้วแล้วมันก็หนีออกจากบ้านแกก็โอ้โหนอยไม่หลับขนาดเข้าวัดเข้าวา น, นอนไม่หลับก็เลยนะบอกให้ตัดใจก่อนตัดหางไปวัดก่อนแล้วก็แก้ทั้ลัง แล้วก็ผมก็ยืนยันเขาเลยว่ามองดูแล้วเนี่ยอีกหน่อยลูกคนนี้จะกลับมาเป็นที่พึ่งของเราเวลานี้เราจริงแต่ว่าใช้เวียนใกรรมเขาก็บอกเออจริงเขาทำเวียนทำกรรมไว้จริงจริงเต้องมาเจอวาวาอย่างนี้แต่นี่อย่าไว้ทำมันค่แล้วตัวเองก็มาเข้าว่าทําบุญดำมรรคผลเยอะดีมันเข้ากรรมเขาก็ให้ผลตามลําดับหล่ลําดับอยู่ดังนั้นเวลาแพรให้กับลูกเนี่ยอเป็นนึกว่าโอ้ลูกเลยเนะให้นึกอน า, นาคตเนี่ยในอน า, นาคตว่าวันเราแพ่ให้เขาล่วงหน้า วันหนึ่งเขาต้องดูแลทำนีลไรนี่อีกลายหนงเนี่ยพ่อแม่ก็เข้าวัแล้วก็เขาก็มีลูกายคนเดียวมือกันผมก็รู้จักทั้งทั้งทั้งบ้านเลยนะสูกชายเขาก็รู้จักคือกระทั่งเขาโตเรียนี่ยโตเป็นหนุ่มเนะถ้าไปติดผู้หญิงถ้ากลับบ้านตัวพ่อแม่ปวดหัวเลยครับพอมันก็ปวดใะไรแล้วแม่ปวดหัวโอ้จะเป็นยังไงเนี่ยเขาก็โอ้คุยกับผมนะผมกำนังนั่งไย ทำไมพ่อแม่เขาว่าเขาวาลูกไปอย่างนี้นะแต่ว่าไอ้เรากบแมมก็เสี่ยงเหมือนกันแหละติวราไปรับรองต่อไปก็ดีในที่สุดเนี่ยเขาก็มาบวชบวชวัดนึ่งออกออกมาเดี๋ยวนี้คลายเป็นคนดีเลยเห็นหน้าเนี่ยรู้เลยว่าเป็นคนดีแล้วพระท่านบอกเลยว่าอีกหน่อยพราจะกลับไปบวชถาวร แ, แล้วก็เขาก็เล่าใหคฟางเขาไปบวชกับพระวันดี เขาก็พบไอ้ความมีสไม่ดีอะไรบางอย่างไปเลยห่หาท่านปรามอยู่เลยเช่นว่ากินมากเคียดสืนตาบอมีอ <g> ย <ül> มีวันหนึ่ง อ, อาจารย์ท่านสอนคือว่าเห็นเทวดาออกมาจากต้นไม้เป็นวัดป่าออกมาแล้วมาเหมือนจะมาปลุกนะมาปลุกให้ตื่นเทวดาปลุกยังไม่ตื่นอลยหลับต่อพอหลับตออีกเลย มีเสียงไอ้ไฟแหลกก้อนเมฆดำลอยอย่างเงี่ยนะแล้วแปลไปแล้คราวนี้ฟ้าผ่าเลยครับผอ้โหผ่าได้เรื่องผมจีวนเลยไปถึงอาจารย์รยืนแตะหน้าอุตส่าห์บอกไปไงแล้วก็สอนเลยแปลว่าอาจารย์ในรู้ทุกอย่างตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาไอ้ไสายที่เกียดที่ตายจริงกิจวัตรโงหายเป็นปริศี์ ใ้เดือนนี้เขารู้เลยว่าคนดีเนี่ยจับตาดูาขเขาจับตาเข้าเขาดูคน อ, อยู่ได้แล้วก็เมื่อไปเห็นได้ครูบาอาจารย์ดีก็เริ่มเริ่มใส่เ ร, รนนะเรื่องอะไรต่อะไรนะคราวนี้คุณรู้เรื่องโอเป็นเด็กที่น่ารักแม่ถ้าเลยวันนั้นเขาบอก็จะไปทา ง, งานายกมือไหวบอกว่านั่งบนโต๊ะอาหารเจ้าเนี่ยยกมือไหว่อไปแล้วแม่เขาให้พ่อบอกนี่ทำไงจะ้ะตอนนี้ก็เป็นลูกแหนะ จนหน้ารำคาญเยเนะี่ยได้ลูกไงแม่โอ้ยได้อีกอ้ อ, อ ก, กพ่อเขาแม่จนหน้ารำคาญก็เลยพ่อบอกว่าจะไปบวชเขาบอกว่าจะทำไงดีเราม่ดกมันยเยอะแยะเวลาลูก่ยบวชแล้วขอมาเป็นลูกสักสิบปีไดไมเลูกสัิบปียังไงคุณก็ทําไปแต่ผมตายก่อนผมแม่จะตายตามตนนะจะโยกกระเรี้ยแล้วนี่เราจะได้ทาหน้าที่ลูกไงคือพ่อมาดกไีู่ดเล่นๆแล้วนะแต่ว่าคนที่ทมีธรรมะล้วก็ เขาอกเออเด๋วนี้ก็ชื่นใจเขาเขาไม่ไม่ไม่สือบาคนมีลูกคนเดียวแล้วมีมารดกเยอะเนี้ยแมงก็เลยใหญ่เหมือนกันนะที่ในประเทศผมมีที่ต่บบางจังหวัดก็มีหะบางคนแต่แต่คนไม่รู้ธรรมะเนี่ยคงกังวลแต่เดนี้เขาบอกเออถ้าเขาไปอย่างนั้นได้เขาก็ก็ดีใจและถ้าเขาไม่มีทางที่จะไปบริจาคสมมติเขายกให้ลูก็อาจะไปทําอะไรที่เป็นการบูรณการผสมก็ได้ กขาคงมีช่องทางที่จะทามรดกให้ลูกเอาไปทําบุญเนี่ยนะมันดีไปความมรดกให้ลูกไปทําทุนใช่ไหมเห็นว่าลูกเขาเอาวัดแล้วไปเปิดสำนักเนี่ยโอ้โมรดกเราอยู่คู่สังคมไปนานเลยอย่านึกว่าล้างาลารนะอย่างพรก็ยอมทอํามาแล้วอ่ะเอาไปทําบุญนะใช่ไหมะละ่ะเอามรดกไปทําบุญหลายคนก็ก็ทําลักษณะอย่ัน งั้นต้องปัะหลักใจเนี่ยเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเลแล้วก็แผ่เมตตาแล้วแก้ปัญหาได้ชั้นเบื้อต้นในใจเราไม่เป็นทุกข์ใจไม่เป็นทุกข์แล้วก็แหมลองคิดดูคนมีทุกขใ์ใครก็อยากจะมาอยู่ใกลโขกที่ไหนอยากจะมาอยู่ใกล้แต่ถ้าใจเป็นสุขใจเป็นกลางแล้วเนี่ยโขกเขาอยากจะมาอยู่ใกล้ใครก็อยากจะมาอยู่ใกล้ มอธิบายปันยินทีนะทุกอย่างที่ทำด้วยความเข้าใจลึกละเอียดอะไรเราจะทำได้สะดวกได้ง่ายและมีผลเท่านะั้นต่อไปแผ่เมตตาด้วยพลหาอันนี้พูดถึงระดับกำลังแล้วคนระถ้ามีกำลังมากก็มีผลมากมีกำลังน้อยก็มีผลน้อยมาพูดถึงพดโทมเจ็ด คุณมีคุณสมบัติของโพชฌงค์ก็คือสติสามโพชฌง์อันนี้ก็อันเดียวกับกับสมาธิกับอินทรีกับพละเมื่อกี้ธรรมวิญยาสามโพชฌงก็อันเดียวกันกับปัญญาแปลว่าการวิเคราะห์ความแยกแยะในเรื่องความพอใจเรื่องเมตตานั้นได้อย่างชัดเจนวิริยะก็เป็นอันเดียวกวิริยะพละและวิริยินทรีสติก็คือความมีใจตรงนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่ง คืออย่างที่บอกแล้วว่าคนที่แผลเมตาดิจิตเป็นปีติเนี่ยจะมีผลมากทั้งกับตัวเองทั้กับคนที่เราแผลไปไงเวลาที่ใจเราหุดหงิดข้าหมองแผลไปนี่ไม่ดีเรารู้เลยครับเป็นพิสูจน์มาจนแน่ใจลนะนะแต่เมื่อเราจะแผลเราก็เริ่มต้นนี้ก็จำเป็นต้องเริ่มแต่มเมื่อเริ่มมาแล้วรักษาความเป็นอย่างนั้นไว้เขาก็จะหงดหงิดรุางงานแรตลอด ถ้าเราแพ้แล้ว ค, ค่อยๆทําใจปลอมใจให้เป็นเมตตาเป็นสุขเน่ยจึงกระทั่งมันเกิดไอ้พลังอบอุ่นขึ้นในใจแล้วเนี่ยนะเวลาแพ้พุ่ไปอย่างคนเนี่ยใจเย็นเลยครับใจเย็นจะอบอุ่นจะทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่ที่เรารู้จักวิธีใชล้ๆกันอยู่เนี่ยใครเศ้าเศ้าหมองร้อนร้อนแพ้เย็นไปเนี่ยเขาจะเย็นคนที่เกลียดเราเนี่ยต้องตามมาง้อเราเลยครับตามมาง้อจริงๆ ที่เกลียดที่โกรธที่ทำไม่ดีไม่ร้ายกับเราลำหลังเนี่ยส่งทูดมางอเรารู้เลยเราแผลเนี่ยเราแผลในตานเนี่ยแต่ไม่เราต้องการไม่ต้องการ น, งงงงา น, นะงอนะแต่เราก็แผลให้ว่าเรามีเหตุผลว่ามันเพราะอะไรยังไงก็ไม่ถือสาแล้วก็เห็นนุองเขา ง, งอจริงๆลองดูดิครับใครดี เขางอนเขางอนเขาไม่ยอมกลับบ้านอะไรเงี้ยนะตั้งแผลเมตตาไม่ต้องไปส่งสายสื่อแลส่งเมตตาครับยานคือเมตตาไปแผลเมตตาไปให้แต่เวลาแผลเนี่ยผมจะบอกว่าทางใดที่เป็นทางดีที่สุดที่เธอจะไปขอให้ไปทางนั้นแต่ถ้าอยู่แล้วดีก็จะอยู่นะแต่นี่นคือแผลไม่ใช่มุ่งยาว ทางไหนเป็นทางดีคุณไปแล้วคุณก็ดีผมก็ดีก็ตรงไปถ้าเหตดปัจจัยก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าจะอยู่ก็ขอให้อยู่กลับมาดีก็ยองกลับมาดีกลับเร็วมีความสุขก็มากลับช้ามีความสุขก็กลับช้าช้ากลับสว่างได้ก็คุณก็ต้องยอมอย่างนี้ตั้งใจกลางไม่ไมนไม่แผ่ด้วยความมักได้แต่ว่าผลนี่เวลามันจะออกมามันจะออกมาตามกระแสเหตุปัจจัยเเมตตาเนี่ยมันมีเป็นแรงดึง แต่จะดึงมาแค่ไหนจะต้องดึงในลักษณะที่ไม่ทําให้เขาเจ็บปวดไม่เกิดผลประโยชน์นะมันก็จะมานะแต่ว่าทําไปทํามาเนี่ยมันตัวเมตตาจะเป็นจุดจังหวะของเหตุปัจจัยให้ลงจังหวะที่เหมาะสมที่จะออกมาดีอย่าง น, นี้ลองใช้ดีครับผมก็พบความประจัญมาเยอะหลายๆอย่างผมก็ไม่กล้าเล่าอนะแต่เออมันแปลกจริงๆครับแปลกจนทุกวันนี้จน าวันนี้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยทั้งคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวไอ้เรื่องที่หมูที่ใช้ที่เรื่องหูมันแก้ไม่ได้เนี่ยนะมันไม่มีทางจะเป็นไปได้เลยเนี่ยเทําไปทํามาแล้วมันมีทางออกผมจนใจจริงๆเล่าไม่ได้ฮเล่าแล้วความลับมันรั่วไหลทั้งที่อยากจะเล่าเล่าแล้วมันจะเป็นเรื่องชัดเลยมึงเขียนเป็นนิยายเป็นอะไรน้องโ อ, อย่างไงเราเองก็แปลกใจ แปลกใจแล้วก็เมื่อมันเป็นไปได้ดีแอ้วก็นับถือธรรมะมากขึ้นว่ามันเป็นกระบวนการในการแก้ปัญหาดีกว่าวิจารณญาณที่เราเป็นคนตั้งเกณฑ์ไว้เพราะเวลาเราคิดอย่างนี้ไงมักจะมกจีกติเข้ามาเป็นตัวแจัดแก้ือแล้วมันมักจะฝืนเหตุปัจจัยเวลาเราแก้ถึงทั้งหนึ่งเราเผื่อไว้ตัวธรรมะเข้าเป็นตัวบริหารอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็แก้ไปตามเกณฑ์เท่าที่ได้ แต่เราอย่าเอาทั้งหมดนะคืออย่าให้ธรรมะทั้งหมดทีเดียวเพราะว่าธรรมะบางทีเรายังไม่ได้ตั้งได้ทั้งหมดแล้วก็อย่าให้แกแบุญพินิจตามข้อมูลทั้งหมดย้อนข้อมูลเราได้มันไม่ได้ได้ทั้งหมดแต่ถ้าคนได้ธรรมะสมบูรณ์ทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่ต้องคิดหาข้อบูลเลยพูดคาไหนเป็นยังงั้นเลยคิดยังไงเป็นงั้นเล ย, ย, เ, นน เ, ลยเนี่ยไอ้ธรรมะบางอย่างเราก็ได้จนถึงขั้นนี้ บางคนก็ได้เดินกันเงินเป็นท่านนี้ก็ไม่ต้องไปคิดหนาอีกผลมันได้บางคนก็ได้อย่างผมไปโยุโรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็นั่งคุยกับพิธีกรค น, นหนึ่งเขาก็บาดว่าเขาเนี่ยเวลาไปพักที่ไหนเนี่ยเขาจะได้ที่พักดีกว่าผู้ใหญ่เขานี่เป็นแค่ระดับเล็กๆขท่านั้นเนอะ แต่ผู้ใหญ่ที่ระดับผู้ใหญ่สูงสูงเนี่ยสูงันหลายช่วงตัวหลายตั้งเนี่ยเนชะ่นไปพักโรงแรมอะไรเนี่ยนะทุกครั้งเลยเขาไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเตรียมการมารถึงที่สุดแล้วเขาจะได้อยู่ดีกว่าเพื่อนพวกที่บไปไปวัดไปวาที่ไหนก็แล้วแต่เขาเขาบอกว่าเขารู้เพราะว่าอะไรรู้มันเขาเนี่ยแต่ไหนแต่ไรมาแล้วก็ตอนหลังเข้ามาช่วยที่โยบุทเนี่ย เขาเป็นคนมันเป็นการให้เสนาสนท า, านแก่บุคคลที่มาทำบุญกันสูงและทำสะสมมานานตั้งแต่ก่อนมาโยบุญเขาเคยไปรูปศิษย์เขาวัดปากนองปากน้ำอะไรนี่แชอบทำบุญอะไนี้ขนาดนนะั้นเลยกลายเป็นความอาศัยเขาไม่ต้องเตรียมการเรื่องไม่ต้องหาข้อมูล นะเกี่ยวก็เรื่องที่อยู่ที่อาไปยรือกระเป๋าไปเลยเลยมีที่รอเาอยู่บุญเขจัดให้บุญเขจัดให้ถ้าจะทำก็แค่ว่าสร้างจิตธิษฐานได้และผมก็ยืนยันได้ว่าไอ้ตรงนี้ผมแพ้ครับแน่นอนแต่ผมก็ไม่เลวหนักนะแต่แค่เรา เรจะต้องทำเรื่องนี้ให้เยอะๆขึ้นเราจะได้เสนานะสัรปายะนะและได้เราไม่ใช่ได้สัรปายะแล้วมันคอยได้ความดีอย่างอื่นด้วยนะคนทำแบบนี้เม่อเราให้ที่ฟังทเนี่ยเราไม่ใช่แคได้บ้านอยู่ไว้เป็นเรือนหอเรือนขับหาความสุขกินอยู่หลับนอนไปวันๆนะแต่ได้ที่ที่เกื้อกูลได้บ้านและได้ความดีด้วยได้เกื่อนบ้านดีได้แหล่งําเลดีใกล้แหล่งวังธรรมะ ใกล้วัดใกล้อาจารย์ดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้ลักษณะอย่างนั้นด้วยได้อะไรแล้วมันมีความดีติดมาด้วยเนี่ยมันดีใช่ไหมนได้งานแล้วมันได้น า, ายดีได้โอกาสดีติดมาด้วยดีแต่บางคนเนี่ยครับซึ่งพราะว่ า, วาเออมาเป็นคนตำแหน่งเล็กในทีนีเนี่ยกับอีกที่ตำแหน่งเบลเลยแต่เขาไม่ยอมไปที่ตำแหน่งมบลเลยเพราะอะไร เพเขารู้ว่าไปแล้วเขาไม่ได้แต่ตำแหน่งใหญ่แต่ไม่ได้ความดีไม่ได้โอกาสในความดีไม่ได้อย่างอือ่นมันมีคุณค่ามากกว่านั้นเ<อ>ขาก็ขออยู่ตรงนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นบางคนถึงขอเป็นคนตกงานดีกว่าเพราะมันได้อย่างอื่นคุ้มกว่าขอไม่เอาเงินเดือนดีกว่ามันได้อย่างอื่นคุ้มกว่าแล้วก็เลือกเอาอย่างอื่นอันนี้ก็แต่ละโอกาสแต่ละคนไม่เหมือนกัน อันนั้นก็พูดถึงเรื่องของปีตินะก็ข้ามเลยไปตรงนี้ให้สังเกตว่าเวลาแผ่ขอให้แผ่อย่างเป็นสุขใจปีติด้วยหรือไม่และถ้าเมื่อปีติก็เราก็ประเมินค่าของตัวเมตตานั้นได้ปัจจัติคือความสงบระงับของจิตต้งองโหระงับตัวนี้ต่างกับสมาธิสม า, สม า, สม า, าสธิแปลว่านิ่งปัสสัติหมายถึงความ อเขาเรียกว่ากำลังของจิตไม่มีอให้สังเกตว่าเวลาที่เราทำสมาธิเนี่ยบางทีจิตนิ่งแต่ว่าภาวะของความสงบระ ง, งับเนี่ยมันเหมือ น, นไม่มีในชะ่ไหมอย่างวมาเราต่อไปนี้ให้ทุกคนเอาจิตไว้ที่ปลายสมองกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกก็รู้แต่ลองดูภาวะจิตที่จับลมนะครับ ว, ว่ามันยังไม่สงบระ ง, งับจริงเนี่ยมันได้แต่นิ่งแต่ไม่มีภาวะสงบระ ง, งับ ถ้ามีภาวะสงบระงับเนี่ยถ้าใครเคยัำสมาธิก็รความสงบระงับแล้วมันจะนิ่งด้วยแล้วสงบระงับด้วยสงบระงับจากความเร่าร้อนของกิเลสใดๆที่มันผุดขึ้นมาบางคนขึ้นมาไอ้แต่ตนั้นก็จะเป็นตัวกอ่อกวนถ้าเราแผ่เมตตาได้อย่างนี้ก็เรียกว่าแผ่ด้วยแบบถอดใจอ่ะอุ้มเทวะจักให้ยังไม่อั้นจะมีความรู้สึก ถ้าเคยเคยแผ่ถึงขั้นี้จะเข้าใจดี น, นีผ้ผมพูดแพ่ยังไม่อันแล้วจะมีพลังแรงมาทําให้คนเกลียดเนี่ยเป็นกลับได้ทันตาทันกวันเลยที่ที่เคยทําให้คนเกิดความรู้สึกในทางตอบรับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราถ้าเราใส่ความต้องการลงไปด้วยไม่จอทีนี้ พอมันได้ผลมากๆเนี่ยมันกลายเป็นนี้ครับอย่างบางลายที่เขาบอกและอย่างบางลายที่ยบางการณีที่เราเรารู้สึกเองเนี่ยคือทําไปทํามาแล้วกลายเป็นว่าปัญหาที่เราต้องการแก้โดยเมตตาเนี่ยมันเรื่อนขีผงเลยนะคือเราก็ไปเอามาทําไมมันเกิดการเลื่อนระดับมันก็เลยไม่เอาคือผมยกตัวอย่างเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่ง เขาก็มีปัญหาเรครอบครัวกับสามีนะต้องเกิดการทะเลาะวิวาดหยาล่างเลยนี่ก็เขาก็ติดใจในสามีก็ทั้งรวยทั้งรอ่แต่ว่าอนี่สายไม่ดีหลายอย่างไปหน่อยก็นั้นแหละก็แผเมตตาแผลไปแผลมาเนี่ยสามีเขาเกิดจะมาดีด้วยอย่าคิดเลยโอ้โหมันเป็นคนละเรื่องกันเลยตายมาเหมือนเป็นลูกแม่ ยอมเนอนไกทุกอย่างยอมหมดยังไงก็ได้จะให้ขอโทษปราพาว่าขออย่างเดียวให้มัอยู่เขาอย่างเก่าเขาขอบอกเขาไม่เอาไม่เอาเพรอะไรหรืมาเพราะรู้อยู่ไปแล้วมันก็ไอสิ่งที่เรารึคจะได้เนี่ยมันกลายเป็นเขาไม่ต้องการแล้วก็เลยไม่ยอมคืนดีด้วยจนบัดนี้ทีนี้ข้าจะให้ดีด้วยเนี่ยทํา คนอิ่นสามีเขาก็ไม่เป็นคนฟังเทศฟังสามนีนะด้วยสิถ้ามาปรึกษาผมแน่นะผมก็จะบอกว่าคุณต้องยกระดับธรรมะขคุณให้สูงขึ้นรับรองว่าเขายินดีคืนดีด้วยแนะ่จริงๆคุณเอาเงินไปพุ่มไปฟาถั่วฟาไม่ถูกอะหโอัวนีพวกหัวมีอะไรแตกแน่แต่ถ้าคุณมีธรรมะขึ้นมาเมื่อไหล่เนี่ยรับรองว่าสําเร็จที่เราบุญมันจะถึงกันไปถึงกันเนี่ย วอากลายเป็นว่าโอกาสอย่างนี้เนี่ยเขากลายเป็นไม่ใช่เป็นฝ่ายเลือกเลยคร่บไม่ใช่เป็นฝ่ายครับเป็นฝ่ายที่ถูกเรียกร้องคืออย่างนี้ก็โทษนะคนที่เกิดมาชอบโวยกว่านั้นเป็นสิทธิเข้าตัวจะเลือกใครดีอย่างเี้ยมันเคยาใจว่าไม่เอาใครก็ไม่เอาขอให้มีความดีมีอะไรอยู่ไอ้ยิ่กลายเป็นสําคัญตรงนี้ นี่ยมันถ้ามันเป็นอย่างนี้กลายเป็นว่าผลที่กลายเป็นว่ามันไอ้ผลที่เราต้องการเลือกร้องมันก็มาไอ้ผลใหม่มันก็มาที่ดีกว่าเราจะเลือกใครดีเดี๋ยวก็ต้องมานั่งร้องเพลงของใครที่จะร้องดังๆอยู่แถวนั้ น, น, นเลิกแล้วคก็เลิกแล้วคก็ยังหรอกครับนยังไ ม, ม่ไม่มีใหม่หรอครับทีนะ่ เออมันก็นี่คือพูดพูดด้วยความภาคภูมิใจของตัวเองนะมันถึงจุดที่ถูกเลือกแหละนะฮะและก็มันก็จะกลายเป็นลักษณะอย่างนั้นอันนี้แหละที่เรียกว่าเมื่อตัวเองมาได้อาริยทรัพย์เนี่ยโลยยหิตครับเมื่อปัญหามันก็จะกลายเป็นที่เท่าเส็นทางไปสําหรับในภาวะคิตอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราคิดอยากจะแก้ในระดับที่ว่าเรายังไม่ไปถูงมากเราก็จะ แก่ปัญหาต่างๆได้ <c oughs> อ่อผมแทรอีกเรื่องกันได้นี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนางฟ้านางหนึ่งนางฟ้าในคอาใหม่ยถึงแอร์โฮสเตสที่เขาต้องมาเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมเพราะเรื่องความล้มเหลวในเรื่องความรักเขจะไปถึงขั้นไหนผมไม่ได้ตอกแต่งถามเขา มาปฏิบัติทำมาเรียนธรรมะเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาโอ้โหมันเป็นความเจ็บปวดชอกท้ำมากที่ถูกคนผู้ชายถูกผู้เทวดาจริงผมก็ไม่รู้เป็นเทวดาพวกไหนนะมันไม่มีเหตุที่ต้องไปถามเขา น, นานมากฟ้ายัางพิงลงอะ่ะมันก็เป็นความที่ต้องต้องเขา้าวัดเพื่อ เรียกจิตใจกลับมาเพื่อว่ามันจะอาจจะดีขึ้นอะไรขึ้นจะได้คืนดีขึ้นพอเข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยครับปรากฏว่าโอ้ผู้ชายมันมารุมรักกันใหญ่เลยมันดีไว <rí> e> ไ้ไอ้เทวดาขันจาตูนนี่มัว <Brid get> <pronouns> ก็เลยอยู่ในภาวะว่าจะแต่งหรือไม่แต่งดีจะรับรักคนไหนดีจะรับพวงมาลัยจากใครดีจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจ ผมก็ไม่ได้เห็นในตอนที่เขามีบัณฑ์น้ำเขาสวยขนาดไหนแต่เดี๋ยวนี้ถึงว่าเออเขายายวยน้ำมากขึ้นกว่าเก่านะเขาก็นางฟ้าแหละแต่ว่าเขาจะสวยกว่าเดิมแค่ไหนผมไม่รู้แต่ทําไมสเสน่ห์มันแรงขึ้นนะทําไมโอกาสมันดีขึ้นเกี่ยวกวับเรื่องนี้นี่ก็เป็นครอปลานลดว่าเอออีกเพราะเราตัด อ, อกตัดใจได้หนึ่ก็แห่มาใหญ่เด็ก ผ, ผู้ชายนี่น่าจะ แต่งไว้ที่เดียวให้หมดไปเลยเรียกว่ากบูก็ได้เลยหรือเปล่าแต่ก็ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นเขารู้สึกว่าชีวิตในธรรมนี่ยมันมีความสุขกว่าเป็นของดีกอ่าถ้าจะเรียงนี้ก็ต้องเจอคนคุณธรรมสูงพอกันถึงจะอาจจะเกิดความรู้สึกตอบรับเพื่อมน้าสมควรสุนทรธรรมด้วยกันนี้ก็อย่างที่ผมว่าว่าบางคนเนี่ยอ ที่เคยเล่าที่เกษตรนะเล่าซาำทนี่ที่ว่ามีหนึ่งเป็นชายหนุ่มรูปหล่อตำแหน่งดีก็ก็มีเงินมีทองเลยนะคนก็มาเช่าเขาเยอะนี่เขาเขาาเปดมาคุยกับผมเลยมาถามว่าทำไมผมเนี่ยถึงขยะขยะงไา้เรื่องรัก ใ, ใคร่นะฮะกล้เรื่งชีวิตสามีภรรยาเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรเป็นอย่างนี้เพราะ อ, อะไร อีก ค, คนหนึ่งเป็นผู้หญิงแต่งงานแล้วขยัขขย้งทุกทีมันเป็นร้ อ, รออะไรไก้แก้ไขได้ยังไงอาจารย์้องตอบว่าเป็นร้ออะไรตามความเข้าใจลองเดาๆดู <c oughs> ตรงนี้เนี่ยมันมีคนขยัขขย้งเรื่องนี้อย่างไม่เหมือนไม่มีข้อเื่นไขอะไรเลยนะ คนเราไปขยัแขยงเพราะความตกปกับปลว ก, ก, ก็อะไรอย่างเงี้ยมันขยัขยงได้แต่ถ้าธรรมดาไม่ใช่เงินใสยอย่างนั้นขยันขยงเพราะหนึ่งอำนาจของรมนาสัญญาที่สั่งสมไว้แต่อดีตเป็นปัจจัยนะก็มาทําให้เกิดความรู้สึกขยันขยั่งในทิ้งเหล่านี้หรือบทีก็ไอ้ความประพฤติผิดประพฤติตำตๆของคู่คู่กรณีถ้าเป็นขยันขยงเป็นรายๆอย่างเงี้ยนะามาเป็นปัจจัย อย่างลายของผู้หญิงก็ น, นั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นอย่างนี้แต่ในวิธีแก่เนี่ยถ้าเป็นขยะขแขยงเพราะสมณสัญญาเก่าเนี่ยคนผู้นี้จะแก้ได้ด้วยต้องเจอคนที่ตัวเรื่อมใสหายแครขยะแน่นอนอย่างผู้ายมันี้ก็ไปเจอเ อ, อผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเป็นนักบวชมาตั้งแต่แต่ไหนจะไรนะมีศีลาจารวัดหน้าเลื่อมใสแล้วสึกมาแต่งงานด้วยครับแค่ขยะแน่ เพราะว่าคนคนนี้ต้องแก้ด้วยความเลื่อมใสด้วยคุณธรรมจึงง่ายถ้าไปเจอคนธรรมดาขยะนขยงมันมันก็จะกลายมาไม่ใช่ตัวขยะแข ย, ขยขงเเขาแล้วเขาก็อยากเจี๊ยบตัวดิมันจะกลายเป็นอย่างนั้นมันก็เหมือนกับความโกลกๆถ้าเราเที่ยวก็างรู้สึกอย่างเราแต่นนี่เป็นความโัโกรกๆในในความจำนึกในทางทางธรรมะนะฮะ ตึงออกมาเป็นลักษณะอย่างนั้นมาพูดถึงอุเบกขาสามโพชฌงักตหนึ่งไอ้ตัวนี้แหละครับมันคือหลักที่ผมพยายามพูดคือความเป็นกลางของใจความเป็นกลางของใจหรือบุญของใจของเราเนี่ยครับคือตัวอุเบกขาสามโพชฌงต้องทําใจให้เป็นกลางให้มากใจเป็นกลางเนี่ย มันก็จะทําให้การผสมสภาวะธรรมอย่างอื่นเนียเป็นไปได้ง่ายถูกไหมเหมือนเราจะเป็นคนเจรจาไกลเกลียแค่ปัญหาเนี่ยถ้าเราไม่เป็นคนกลางใครก็ ไ, ไม่ยอมฟังหรอกครับและถ้าเราจะเป็นคนตัดสินปัญหาให้เที่ยงทำเราต้องทําใจเป็นกลางถึงจะมองเหปัญหาและตัดสินได้อย่างเที่ยงธรรมจะตัดสินเรื่องเรากรืเรื่องอื่นนั้นเหมือนกันนะต้องเอาใจเขาใส่ใ จ, ใ, จใจเราทําตัวเป็นกลางแล้วก็บางครั้งก็ต้องปลดภาวะตัวเองให้อยู่ในสถานภาพเป็นกลาง ทำกรรมให้เป็นกลางอะไรมันมีวิธีอีกหลายอยา่างแต่เอาง่ายๆว่าทําใจเป็นกลางยืไนไว้อีอกใ น, นหนึ่งแล้วแพร่ด้วยองค์มรรคแปดอาศัยคุณธรรมขององค์มรรคแปดก็จะชี้ให้ดูบางตัวที่ไม่ซ้ำกันว่าสัมมาทิฏฐิก็คือปัญญานั่นเองครับสัมมาสังกัปปะก็คือความดำํำริความคิดอ่านในทางที่ถูกต้องเหมาะสม สัมมาจารย์กรรมการพูดสัมมากรรมันตาะนะครับสัมมาอาชีว ะ, ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นพื้นฐานหรือเป็นจริยธรรมทั้งในส่วนเบื้องต้นในส่วนท่ามกลางในส่วนเบื้องปลายเนี่ยครับจริยธรรมของเราเนี่ยจะเป็นสิ่งสําคัญมากผมยกตัวอย่างว่าถ้าคนไหนยังประกอบอาชีพที่ต้องกินแรงเอารัดเอาเปรียบต้องทําลายคนอื่นอยู่ เมตตาแย่ยังไงก็ถูกจํากัดวันอย่างครับแย่ไม่ขึ้นกับคนบางพวกวันอย่างครับยกตัวอย่างเช่นว่าอาถ้าเป็นคนทาธุรกิจทางการค่าตัดนะคะ่าตัดขายเป็นธุรกิจต้องไปเอาเปรียบคนอื่นทาลายคนอื่นเนี่ยคุณถ้าคุณไม่เลือกอาชีพอย่างนี้แยอยังไงไงตัดมันไอไก่มันก็ไม่อมยอมเมตตาสักคนหรอกครับใช่นะฮะ คนที่ออกเงินให้กู้แบบขูดรีดมันก็เป็นข้อจากัดขึ้นมาทันทีนะหรือเราจะไปแผ่ถ้าเป็นกรณีของแต่ละบางคนเนี่ยเราแผ่เมตตาให้คนบางคนเช่นว่าเอาเอเราออกเงินให้กู้ร้อยละยี่สิบต่อเดือนจริงจรนะใช่มร้อยละยี่สิบต่อเดือนนันมีจริงจริน ะ, ะสมมติเราเราเราเกิดไอ้นั่นมัน ดอกก็ไม่ส่งทุนก็ทํำท้าจะไม่ใช่แล้วก็นั่งแผลเมตตาออกมามาหมายมาหายชั้นหน่อยเลยนี่เอาดอกออกมาใช้แผลเมตตาเพื่อให้มันเป็นลูกนี้ที่ดีมาเป็นที่ค่าน้ําเงินของตัวเองดอกเบตัวเอง อ, อย่างนี้โอกาสทําขึ้นน้อยมากจริงมเมืเดี๋ยวก็เลยลามใหญ่ทําขึ้นบอกร้อยี่สิบเออแผลเมตตาแล้วมันก็ หามาใ้ได้มันก็ขึ้นเป็นร้อยละห้าเปก็มันคือมันทำสันกันได้แล้ะครับเพราะนั้นเราเนี่ยึงต้องมีพื้นฐานทางจริยธรรมที่ดีเอาไว้แล้วอย่ากลัวว่าธรรมะนมันจะมาทำลายประโยชน์ไอ้คนคิดว่าทำเอ้ยเราอย่างนั้นนั่นก็แย่ที่ทำอย่างงี้ก็แย่ที่เพราะนั้นนะคือไม่มีปัญญาในธรรมดีพอ นันลองคิดดูแล้วกันว่าถ้าเราจะทํามาหากินอะไรเนี่ยเราได้ทั้งเงินด้วยได้ทั้งบุญด้วยได้ทั้งความดีด้วยได้ทั้งความถุกด้ว ย, ยมันน่าจะทํามันนั้นไหมหรือจะทําอย่างที่นี้ได้แต่เงินเสียเพื่อนมีแต่ความทุกข์มีแต่ความกังวลมันก็มีทางให้เลือกอย่างนี้อันไหนจะยัง่งยืนกว่าอันไหนจะเป็นกําไรที่บริสุทธ์บริบูรณ์มากกว่าสามข้อนี้ก็เรียกว่าเป็นหลักของสิ่ที่เพิ่มเข้ามา วันผมไปซื้อปูหน่อยแถวแม่น้ำบางปะกงไปซื้อแถวนู่นแหละแยกต้แยกบางปะกงนะต้องมีปูปูทะเลไอปูมาานะผ ม, มซื้อมีซื้อปูไข่เหมาหมดร้านเลยก็ปไปกันสี่ค น, นะจะมีคุณผู้จัดการ น, นะแกก็หมดไปสอง0ันกว่าผมก็หมดไปห้าร้อยกว่าแล้วก็มีคนสองคนตามล้วก็ค น, คนละเล็กคนน้อยซื้อตามคนหลัง เมาหมดร้านเลยผมไอปูไข่นี่ผมเมาหมดโลดละสองร้อยแปดสิบเขาก็ใจดีรปลลดให้อยหก6 0บสอร้อหกสิไอปูมาก็รดใหแปดบแล้ว160หกิเหมาเครื่องเลยหมดไปรวมๆแล้วก็หลายพันก็เอาไปปล่อยทีนี้ไอตรงนี้ไ้สังเกตว่า คนที่ฆ่าตัดขายเนี่ยสามามกแผ่เมตตาขึ้นหมือลองไปถามใหมอเนี่ยขายปลาขอขายกบปล่อยว่าปลา่าปล่อยก็ไม่มีกินปล่อยก็ไม่มีกินแต่เนี่ยหน้าตาจะเหมือนคนที่ผมไปไปที่เชียงใหม่ผมไปตลาดหางหลบสมมติไปซื้อกบสามโลนะซื้อปลาปลลการะดูกเออไปซ้อน ไปกันสองคนก็เฟร้กักนสามคนนะแล้วก็มาปล่อยที่สระน้ําใหญ่ที่หนึ่งปกติคนเหนือเนี่ยเขาหน้าขาวนะหน้าขาวสดใสมีน้ำในวนวลดีแต่เชื่อไหมฮว่าแม่ค้าขายปลาในหน้าเหมือนกบหละคือ ม, มองหน้านะผมไม่ไม่เหมือนลักษณะคนเหนือนที่เขาหน้าเขาขาวที่ไม่หน้าจะดำดำ คนขาปลาขายปลาเป็นอย่างนี้ทั้งนี่นดีากบ ก, กังไม่ได้ผ่าทองนะก็ใกส่ถวิลใส่กระตุกไดอยู่ไปแถวตลาดต้าประแดงเนี่ยโอ้โหบางทีไปแล้วหูมองไปตงแล้วก็ผาทองเคยเห็นไหม่าไส้ทะละกักมากรกบมันก็ไม่ตายอ่ะบางทีเอามากองไปมันโดนประยกไปยาไปข้างล่างดังข้างบนเนี่ยพ ะ, ะยยาไม่ตายหน้าทุเรศทุลังมากแล้วก็ด๋อ คนไหนที่เป็นลูกเป็นคนที่ขายวัยสาวเนี่ยหน้าจะยังยังมีน้ำมีนอนอยู่แต่พอมาถึงวัยกลางคนในหน้าไปสมับเดียวกันหมดไม่มีามามราศีมีแต่ความเครียดมีแต่ความเศร้าหมองแล้วพวกนี้มั่นปลายดูนะครับเหมือนกันทุกคนต้องไปปาตัดเลือดเข้าเลือดตกยางออกตายไม่คด้ดีหน้าของสาร เวลาเราไปไปปล่อยสัตก็เลยต้องแผ้ให้ทั้งคนหายแผ้ไอสัตว์ที่กระจายมาหายแต่ว่าคนปล่อยไม่นาน้ไมจะไปปล่อยที่ไหนแล้วแหมแล้วเรต้องทําไปอย่างนี้จนตายเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนลองคิดดูนะไอเราเองเราข้าสาัตมาเยอะถึงจะไม่ได้ขายเนี่ยเราก็ชอบจา ม, มาจนเหลือนี้รู้เลยว่า โ, โหมันทั้งไม่ดีเลยโชคไม่ดีเลย ถึงว่าเขาจะแผลได้ต้องหยุดอาชีพอย่างนั้นถึงจะแผลค น, นเมลขัดกาชีพเนี่ยนะแผลเมตตาขัดาอายีพคนปราบโกปราบลุกปรา ก, ก, การอาชีพแผลไม่ได้แผลได้ก็ไม่มาทำเลย้แผลได้เพรามันเป็นเมตตาถึงแผลได้มันก็ป ล, ปลอมๆอย่านั้นแหละไม่ใช่เป็นของจริงจังอะไรพวกนี้เน่ยมันจะได้เจียบไปยพอจึงไปบทแผลเขาเนี่ยตัวเองตรรมตา ม, ตา ม, ตามทันเลิก เจ้ากรรมในเวรเข้ามาเลี้ยงูแพ่เขาไม่ฟังแล้วแล้วก็เลยมาโทษเราไหนว่าแพ้เมตตาได้ผลไงอามนุษย์ทาอไไัน ต, ตร า, ต า, ายไม่ได้ไงศาสตราทำอันตรายไม่ได้ือตัวเองแปรอย่างตอนนี้มันจะไปได้อะไรล่ะมันต้องแก้ไขกันนานหน่อยเหมือนกัเจ้ากรรมในเวรเราอะนะะถ้าเราไปทําอะไรเข้าไว้มากๆเนี่ยไว้ถึงจุดเสื้ตกยางออกเนี่ย แชร์แล้วมันไม่ได้ผลทันทุงทีเราต้องสะสมต้องสร้างพื้นฐานกันใหม่นานมากเอาละครับเราข้ามเลยไปถึงบทที่ท่านกล่าวว่าอินทรีย์ห้านห้าพโน์ยงเก็ดมรรคแปดที่ว่ามาเนี่ยเป็นอาเสวนาะแปล ว, ว่าเป็นเครื่องซ่องเศษทั้งหมดนี่นะต้องใช้คุณธรรมเป็นตัวต้องเศษ เมตตาเป็นตัวทําให้มากโดยกุณธรรมเหล่านั้นแล้วก็เป็นอลังการคือเป็นเครื่องประดับเมตตาทําให้เมตตาเนี่ยออกมาเนี่ยสวยงามต้องตาต้องใจยิ่งขึ้นต้องตาต้องใจผู้ที่เราแผ่ให้ต้องตาต้องใจความสําเร็จที่เราต้องการให้เป็นผลสำเร็จมากยิ่งขึ้นเป็นบริวารเนี่ยคือเป็นผู้อมาช่วยเป็นบริขารในมหมายถึงเป็น เครื่องมือเครื่องปรุงแต่งในนี้แปลว่าเครื่องปรงแต่งเมตตาในบริการนี่ก็เหมือนอัตตาบริการนะครับที่เราใช้เป็นเครื่องอนุเคราะห์พรหมจรรย์อนุเคราะห์เมตตาแล้วก็เป็นบริวารก็คือเป็นเครื่องสนับสนุนเราทำงานต้องมีบริวารมีคนช่วยทำอะไรคนเดียวไม่ได้ก็คือเมตตาเนี่ยมันทำอะไรเองคนเดียวไม่ได้ต้องมีบริวารช่วยหรือคุณจะทำส่วนอื่นประกอบ อนี่ที่พูดไปตอนท้ายแบบว่าเป็นอาเทวนาเป็นภาวนาเป็นภหุรีกรรมเป็นอลังการเป็นบริหารเป็นบริวารแล้วก็เป็นเครื่องที่ต้องทําให้บริบูรณ์ทาให้เป็นบริบูรณ์ด้วยคุณธรรมพวกนี้เมตตาจะเป็นบริบูรณ์ด้วยคุณธรรมที่เราเพิ่มให้เป็นสารคดคือเป็นเครื่องประกอบเป็นสหาชาติก็แปลว่าผู้ร่วมเป็นร่วมตายกับเมตตา เป็นความเกี่ยวข้องนี่ก็เป็นอีกไวโพสหนึ่งเป็นสัมยุ์คือทําประกอบนี่เป็นไวโพ์ใกล้ๆกันนะครับเป็นเครื่องเล่นไปก็คือว่าทําให้เมตานั้นแล่นไปเป็นไปได้เป็นความผ่องใสทําให้เมตานั้นบริสุทธิ์ผองใสขึ้นทําให้เมตานั้นตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคงถาวรแน่นอนขึ้นแล้วก็ทําให้เมตานั้นผนพิเศษผลพิเศษจะหมายถึงผนจากข้อขัดข้องสิ่งไม่ต้องการ จะเป็นพิเล ข, ข้างในหรือเป็นรุปธรรข้างนอกก็ตามแล้วก็เป็นความเห็นวิเศษเห็นวิเศษก็หมายถึงประจักษ์ในผลที่พึงได้โดยประการทั้งปวงจากเมตตานั้นเราจะเห็นได้ในตัวเราเองว่าเป็นไปได้อย่างไรเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ท่านกล่าวไว้ อ่าโดยโดยสรุปแล้วก็มาดูสุดท้ายแผลอีกทีหนึ่งครับว่าเมตตาเจโดยมุดนั้นแผลไปโดยอาการแปดคือว่าเวลาที่เราแผลไปอย่างจังหลักย่อมที่ว่าเอาเวลาเนี่นะก็มาขยายว่าให้มันพิสดารขึ้นโดยไม่เดือดข้นไม่ฆ่าไม่ทําให้เดือดร้อนไม่ย่างยี้ไม่เบียดเบียนแล้วก็ไม่มีเวรแล้วก็ให้ให้มีความสุข อันนี้ก็เป็นเป็นรายละเอียดที่คิดเป็นข้อรายละเอียดตั้งแต่ใหญ่แต่ว่าในทางปฏิบัติในเชิงที่ผมอยากจะถลุเนี่ยทั้งหมดนี่เป็นเชิงหลักๆต่เวลาแผลเราขอให้เอาหัวใจเราแผ่นะให้ยึดหลักบางๆบางอย่างที่เราเห็นว่าเหมาะต้องยืนไว้จะแผดโดยที่โดยบุคคลนั้นก็ตให้เอาหัวใจแผดและการที่จะแฝดจากหัวใจล้วก็เอาจากความต้องการความไม่ต้องการทั้งเราในเครื่องแฝดก่อนและถ้าเรารู้ความกระเป็นความต้องการความควรต้องการของเขาได้ เราก็แผ่ไหวใจให้พรเขาประสบความสำเร็จในบางอย่างะจะแผ่ต้องการความเฉลี่ยจากเขาเนี่ยก็ต้องต้องให้เาัาคือเอาของเขาแล้วก็ต้องให้เขาในลักษณะที่ทวีคูมากกว่าเหมือนพระเนี่ยชัดเลยเวาลาพระไปบิณฑ บ, บาตเนี่ยพระให้เรามากกว่าที่เราให้ท่านเชื่อไหมมีคุณพระดีๆนะ ซาดีๆเนี่ยรับบาตรเราเราเนี่ย อ, อย่างสมัยก่อนพระสุพูติโอ้ท่านให่ว่าก่อนจะไปท่าจะนั่งเข้าสมาบัติแล้วก็เวลาจะเห็นโยงดักอยู่ข้างหน้าจะใส่บาตท่านกำหนดจิตเป็นสมาบัติอย่างจำนานนนแล้วก็รับรับเสร็จแล้วก็วอวยพรเข้าสมาบัติปิดท้ายแล้วก็เข้าไปวัดเนี่ยก่อนสานทางเสร็จแล้วท่านเข้าสมาบัติให้รวมๆอีกทีไอ้เรื่องนี้เนี่ยครับผมถ้าอยากจะยืนยันเป็นข้อสังเกตว่า ถ้าใครเป็นนักไปไหว้ศาลผ้ า, าดีเราจะจรู้เลยว่าการเห็นธรรมะเป็นมงคลอปภิจายนะการไหว้เนี่ยโห้เป็นบนถุงตรงนี้เองรู้ว่าใครเคยไปพบหลวงปู่แหวนไปแล้วท่านปิดประตูเงียบไม่ยอมบอกมากลัวเราไปเราก็ไม่ค่อยยืนใจใช่ไมล่ะหรือบางทีไปแล้วท่านมาอยู่วัดล้วก็เออเล็นกุฏิเห็นของใช้ได้กราบไหว้ของใช้ก็พอชินใจนิดหน่อย แต่ว่าถ้าคนไหนไปแล้วหลูปูแหวนเปิดประตูแกลกออกมาจำเรือนตามองยิ้มให้นิดพอแล้วครับจะได้กราบเท้าท่านเนี่ยสองกลายคนหนึ่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่งมันจะคนหนึ่งไปกราบโดนเท้าท่านแต่ผู้หญิงกราบโดนเท้าไม่ได้จะขี้นใจน้อยกว่าเออนี่ก็คือมันก็แค่นี่แค่จะขอได้กราบเท้าเนี่ยค่ะ ท่านเลยคือเราเองไม่รู้ใครให้ใครท่านก็ไม่ได้กิอนเปลืออะไรเหมือนกับว่าท่านได้เนี่ยนะแต่เรากลับได้ท่านพระจึงว่าโอ้แค่จะมาขอกราบเท้านี่เขี้ยๆเลยที่เกลยเียดให้กราบโอ้โหแตให้เขากราบพระจนเมื่อยกลายเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายสำหรับท่านเป็นสิ่งที่ท่านต้องรู้ตัวว่าท่านเสียสลับแม้ท่านไม่ได้ปวดได้เมื่ออะไรตั้งนิดเนี่ยนั่งเหี้ยๆให้เรากราบ เราออกแรงใช้พลังงานท่านยังรู้สึกว่าท่านเสียสละจะพบจาอะไรต่างๆจากท่านเนี่ยนะโอ้แล้วมันมีเวลาไปเจอรสึกวจะเกิดปีติทุ่มทับนะก็เลยนึกโอ้ถ้าสมัยก่อนเราทันกับกุฎิช้าจะขนาดไหนนะที่เขาบอกว่าูุธิจ้าเนี่ยใครเห็นก็ลักใครมีปีติทราบส่านเนี่ยเรานึกอนุมานเทียบกับการไปสมาคมกับกล้าเหล่านี้ ไฟไกลเยอะมากเลยในเวลาเราไปเจอกา้าดีๆสมมติเราไปดเดินไปจันทรหน้าอยู่โหอหเรามองหน้า<ห>นะคือเรา็นระยะไกลก็อย่างมองหน้าโอ้โหรู้สึกมีอะไร่าเป็นเหมือนเป็นแสงเลือนมันนะมองหน้าโอ้โหมันต่างกับที่เราเห็นได้ไกลมากเราก็ไปเตียมลรย่ามองหน้าดูที่หน้ า, นนากันอย่างไรทั้งกำมองเราแต่ที่เห็นได้บา้างปากก็ไม่โด เออแม่เราทราบเป็นธรรมะตรงนี้ว่าการพบเป็นธรรมะเป็นมงคลอับปัจญนะกุศลการเคารพกราบไหว้การมุนหาเป็นบุญกิริยาไหว้คนสูงก็ได้บุญมากคนตามก็ได้บุญน้อยบุญทันตาเห็นสุขทันตายเห็นแค่ไหนโศกทันตายเห็นแค่ไหนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ย้นั้นทูขอสนับสนุนท่านทั้งหลายว่าให้หัดเข้าหาธรรมะ ให้มากๆยิ่งท่านเป็นผู้นําเป็นผู้ใหญ่ยิ่งต้องเข้าหาเหมือนเหมือนครับอดีตอาเหมือนพร ะ, ะเจ้าแผ่นดินนะข้อหนึ่งต้องเข้าหาทสมอ น, น, นะจะได้ทุกอย่างเลยครับได้ทั้งข้อมูลได้ทั้งกําลังใจได้ทั้งการกดเครื่องสะดอกก็อะไรพวก น, นี้นะแล้วแต่ท่านจะให้เราได้แล้วแต่เราจะไปอ่าเจรจาภาษัยกับท่านได้แค่ลองดูสิครับใครลองอยู่แล้วก็คงรู้วลองแล้วลอ ง, ลองสังเกตศึกษาทีทนี้เดี๋ยวท่านจะเถียงว่าอันนี้ขอแถมนะคงเท็คงบดแล้ว แต่ง่ะเออแล้วเกิดไปหาไปหามาเมื่อก่อนแต่งเหลืองต่อไปเกิดแต่งเขียวด้วยว่ะจะเป็น้องืะอรนะ